นี่สมควรเกี่ยเวลาแล้วนะพอจะรู้จักกับพุทเจ้าในเะดือต่อไปก็ย่เดินในเรื่องของบา ร, รมีในช่วงบ่ายถ้าสมัยก่อนนี่เขาจะสาธยายพระพุทธคุณโดยเฉพาะจะสาธยายเป็นอิติปิโสรัตนามาลาจะมีอยู่ร้อยแปดบทในร้อยแปดบทนี่เขาสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าค่อนข้างเยอะเอะนะ่ย มาเคยมาสาธยายจะมีทั้งพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังคคุณที่จริงถ้าโบราณอาจารย์เนี่ยก็จะแปลถ้าสมัยโบราณจริงๆเนี่ยเขาเขาสาธยายมาแล้วเพื่อเอาเป็นเอาไว้ภาวนาป้องกันพยันอันตรายเขาไว้ป้องกันอย่างคาว่าอิติปิโสเนี่ยท่านจะขยายเป็นรัตนเวลาจะร้อยร้อยร้อยขยาย ปัณฑ์เป็นคาถาขาคาถาก็เป็นบทขับนั่นเองอย่างคำว่าอีที่เคยมากล่าวไวท้ทีว่าอิทโทสพันยุตญาณังอิันโตอาสวะคายังอิทังดัมมังอนุปโตอิทิมันตโตนามามิหังนี่ตรงนี้ใกล้าสาตยายก็ให้ภาวนาทุกวัน ป้องกันพยายนอันตรายได้แต่คําแปลก็คือว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงปราถนาสัพญยุทธญาณปราถนาอนุปาธาบริณิพนธ์ทรงปราถนารมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะก็ได้ทรงบรรลุ ธ, ธรรมที่ทรงปราถนาแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีความสาเร็จพระองค์นั้นด้วยเสียนกราบ นี่ก็มาจากคำว่าติโนโยวัต no ดุคขมหาตินังโลกานมุตามโมติสโสบุมิงอติกันโตตินาโอคังนามามิหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพราะองค์ใดทรงข้ามพ้นแล้วจากทุกในวัตตะแล้ว เป็นภูมิทรงพระคุณอันสูงสุดแห่งไตรโลกทรงล่วงไตรภูมิได้แล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระพุูธเจ้าผู้ข้ามโอคาแล้วพระองค์นั้นโดยเสียนกล้าวนี้ส่วนคำว่าปิเนี่ยมายจากคำว่าปิโยเดวามนุสสานางังปิโยบระ ม, มานามุตตาโม ο, ปิโยนาคาสุปันนาณัง ยินเรียงนมามิหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักตลอดไปจนถึงสัตวดิราชานมีนาครุตเป็นอาทิขพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีอินทรีย์อิ่มพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าวนั่นคือบทบทพุทธคุณ ถ้าเป็นบทในธรรมคุณท่านก็นจะมาขยายสวาขาโตพระกวราธโมสันทิตโกเป็นต้นที่เราสวดกันเมื่อสักครู่นี้สวากนีม่มาจากคำว่าสวาคตันตังสิวังระมังสวานายังธรรมามาเดสิตังสวาหุนายังปุญญาเคตังสวาศพันตังนามามิหัง พระนิพานนั้นเป็นธรรมเป็นที่เป็นไปเป็นธรรมทำความยินดีอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบรรลุมาดีแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมมันเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้พระสงฆ์นำสืบมาด้วยดีควรแก่การบูชาอย่างดีเป็นบุญญาเขตอันประเสริฐแท้ ขาดันโตโยซาพปาปังขายโตโยจะมาดุโรขายันตังติวิรังโลกังขายตันตังนามมิหังพระธรรมใดกัดกินกัดกินในที่นั้นแปลว่าทาลายซึ่งบาปธรรมทั้งหลายมีราคาโทสะโมหะเป็นต้น พระธรรมอันหวานชื่นอันใดที่พระบระมา ศ, าศาสดาได้ตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมพระธรรมนั้นอันกัดปินบาปธรรมคือครอบงำโลกทั้งสามคือมนุษยโลกเทวโลกพรหมโลกไว้ปรากฏเด่นชัดอยู่โตเซโตสบบสตานังโตเซติดำเทสานัง โตสจิตังสมิชนตังโตสิตันตังนา ม, ามิหังพระธรรมใดปลุกปลอบสรรพสัตว์ให้ยินดีฟังพระธรรมเทศนาข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันยังสัตว์ผู้มีจิตยินดีในธรรมให้เจริญยังสัตว์ให้แช่มชื่นให้เบิกบานแล้ว พระนี่มาจะคคำว่าพคราโคพคโทโซพคะขโมหโอนุตตโรพระขกิเรสัสตานังพควันตังนามามิฮังพระธรรมใดหักราคะหักโทสะหักโมหะหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้น อันเป็นที่เคารพของสัตว์ผู้มีกิเลสอันหักแล้วพระบรมศาสดาเนี่ยหักกิเลสได้หมดแล้วนะพระอาหารหันต์ตสาวกทั้งหลายท่านก็ละราคะโทสะโมหะก็คือหักกิเลสได้หมดแล้วฉะนั้นพระธรรมนั้นจึงเป็นเครื่องสักการะของสัตว์เหล่านั้นคือพระพุทธเจ้าและก็สาวกของพระพุทธเจ้าผู้สิ้นราคะโทสะโมหะแล้วเป็นต้น ขัดฉันโตรัมเกสิเวขมาปิโตสะเดวเกขัดฉันเตพรหมจรียขัดฉันตันตังนามามิหังพระธรรมใดดำเนินไปในพระนิพพานนั้นเป็นที่น่ายินดียังมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้ดำเนินไปจนถึงพระนิพพานนั้น ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันดำเนินไปสู่ทางนั้นได้ดีแล้ววันตราคังวันตะโดสังวันตะโมหังวันตะปาปะกังวันตังพารมิตชาดีนัง่งวันตะขันดังนามามิหังข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมอันคายราคะ คลายราโทสะคลายโมหะคลายบาปประธรรมคลายความโง่คลายโทษทั้งหลายมีความอยากเป็นต้นคลายกิเลสเครื่องร้อยลัดได้แล้วอันนั้นคือบทบูชาพระธรรมแต่มีเยอะเนี่ยเดี๋ยวมามาก่าวเ ล, เล็กน้อยเพราะเวลาจำกัดนิดนึงส่วนพระสงฆ์เนี่ยสังฆ ค, คุณท่านกล่าวไว้14บทมีสุปฏิปฏัปนโนพระควะโตสาวกสังโฆท่านก็ขยายศัพท์คาว่าสุ ป, ปะ ปันโนภาคะวะโตเป็นต้นนะถ้าสุกก็มาจากคาว่าสุทธาสีเลสัมปันโนสุทุโยปฏิปันนาโกสุนเดโรสาณกโรสุนรัตังนา ม, ามิหังพระสงฆ์ใดถึงพร้อมได้สีนั้นหมดจดเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ทำตามคำสอนของพระบรมศาสดา ดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นั้นซึ่งเป็นผู้เข้าถึงความดีนั้นปาก็มาจากคำว่าปฏิสัมพิธาปโตโยปสัสสทโทวนุอนุอนตาโรปัญญายาอุตตโรโลเกปัสัะทันตังนามามิหังพระสงฆ์ใดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิธา อันบันดิตสารเสริญเป็นเยี่ยมอย่างเที่ยงแท้เป็นผู้ยิ่งด้วยปัญญาข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมพระสงค์นั้นผู้น่าสรเสริญในโลกติตทกรารชิตโตสังโณติตโทธีโรวสาซสาเสนติิโยพุทธวจวะเจเนติตทันตังปินามามิหัง พระสงฆ์ชนะเจ้ารัติต่างๆเป็นครูผู้มีปัญญาในาศาสนาแท้เป็นเจ้าท่าในพระพุทธวัจนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นั้นผู้เป็นดุจท่าเราเนี่ยเข้าถึงฝั่งเข้าถึงท่ากันไม่ค่อยได้นะลอยอยู่กลางทะเลเนี่ยท่าคือพระพุทธรัตนนธรมมรัตนนาสังฆ ร, รัตนนะเป็นท่าเป็นฝั่งเรือของเราเนี่ยนะ นาวาของเราเนี่ยเป็นนาวาที่ไม่ดีเข้าจอดเทียบท่าไม่ได้เลยท่าอยู่เลยเลยเนี่ยเลยพุทธเจ้าเลยพระธรรมเลยพระรยาสอ์มาไม่รู้กี่ยกไม่รู้กี่สมัยเนี่ยอันความบริสุทธิ์นะถ้าถามบอกว่าพยานที่เป็นประธานที่ไร้มนทินบริสุทธิ์เป็นเหตุให้รู้แจ้งซึ่งพึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือฉันนั้นโดยประการดังกล่าวถามว่าความบริสุทธิ์แห่งใจนะ ของพระบรมศาสดานั้นใจของท่านบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะพร้อมด้กิเลสพร้อมทั้งวาสนาพระองค์ทรงละกิเลสพร้อมทั้งราสนาวาสนาได้หมดสิ้นแล้วใจของพระบรมศาสดาซึ่งมีพยานนําหน้าซึ่งเข้าถึงความบริสุทธิ์ขนาดนั้นเนี่ย น, นะถามว่าอะไรสร้างมาสรุปก็คือสัพพัยุติยานนะอะไรสร้างมาก็ต้องบอกว่าอารัตมะขยานนะ่ะสร้างมา นั้นอารัตธรรมขยานที่เกิดขึ้นที่ต้นพระสีมหาโพนั่นแหละในวันเพ็ญขึ้นสิบห้ค่ำเดือน6นั่นแหละที่พระบรมศาสดาได้ตรัสรู้นุตตระสัมมาสัมโพธิญาณนั่นแหละอารัตธรรมขยานนั่นแหละสร้างอะไรสร้างสัพพัญญุตยานสร้างพยานอันบริสุทธิ์หมดจดนะถ้าถามบอกว่าแล้วอารัตธรรมขยานเนี่ยสร้างอะไรอะไรสร้างมาก็บอกมหาวชิระญาณหรือมหาวิปัสสนาญาณ มหาวิปัสสนาญาณของพระบรมศาสดานต่างด้วยสองล้านสี่แสนโกดในไงสร้างมาเพราะว่าอาราธมขยานของพระบรมศาสดาเนี่ยตั้งอยู่บนฐานของวิปัสสนาญาณอย่างกว้างขวางว่าไม่ใช่วิปัสสนาญาณช่องเล็กๆ เ, เหมือนทางเกวียนเล็กๆ เ, เหมือนทางคนเดินเล็กๆไม่ใช่เลยเป็นช่องทางอย่างมหึมาอย่างใหญ่โตอย่างใหญ่หลวงเลย ฉะนั้นมหาวิปาาัสสนาญาณต่างไปด้วยสองล้านสี่แสนโกไในนั่นแหละเป็นฐานเป็นที่มั่นของอารัตมะขยานถ้าบอกว่ามหาวิปัสสนาญาณสองล้านสี่แสนโกฎในเนี่ยถามว่าอะไรสร้างมาสมาธิสองล้านสี่แสนโกดในเงินสร้างมา สมาบัติของพระบรมศาสดาที่เป็นฐานอย่งการตั้งวิปัสนาญาณนั่นนะ่ะมากมายนะเหลือที่จะขนานนับนั่นแหละเป็นฐานเป็นที่มั่นอย่งการที่จะทําให้มหาวิปัสนาญาณของพระบรมศาสดาทั้งหลายได้ที่ตั้งสมาธิกันต่างด้วยสองล้านสี่แสนโกฏในถ้าตอบบอกว่าสมาธิที่เกิดขึ้นมาและอะไรสร้างมาปาฏิโมกสังวรศีล อินทรีสังวรศีลอาชีวะปริปสุทธิศีลปัจจะยัสสานิสิตาศีลอันต่างโดยสองล้านสี่แสนโกรธในมกันปริมาณของกุศลศีลที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในสังสารวัตไงนั่นแหละเป็นฐานเป็นที่มั่นของสมาธิสมา ธ, มาธิก็เป็นฐานเป็นที่มั่นของวิปัสสนาวิปัสสนาก็เป็นฐานเป็นที่ตั้งของอรหันมรรค อาราตมักก็เป็นฐานเป็นที่ตัง้ตงของสัพพยุตยา น, นาณวรณัญาณอินทรียโปรภริต ย, ยานมหากรุณาสมาปัฏิยานยามักะปาฏิหารยิยานของพระบรมศาสดาพุทธยาน14เวนี้กระทำสิบเวสาลัชยาน 4, สี่ทศพลายาณสิบเป็นต้นพยานทั้งหลายที่พระบรมศาสดาพระคุณทั้งหลายของพระเจ้าที่แผ่ไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนั่นแหละพระองค์บ่มเพาะมาด้วยได้อะไร ด้วยโพธิปักขีย์ธรรมโพธิปักคิยธรรมก็มีอัจฉริยาสายทั้งหบ่มอัตฉริยาสายทั้งหก็มีพุทธบารมีสิบอุป ป, ร ป, ร 10, ปราร ม, 10, รมีสิบปรมัทธบารมีสิบบารมีสามสิบทัดทนเองบ่มหมายไหมขัดเกาอัจฉริยาสายอัจฉริยาสายขัดเกาโพธิปักโพธิปักยธรรมก็ขัดเกลาสิกขาสามอันต่างด้วยสีสมาธิวัญญาเป็นตน้นในส่วนจริงพระ อ, องค์ก็ได้ตัดสั้อนุตตราสัมมาสำโพธิญาณจริงๆแล้วเราท่านทั้งหลายก็มีบุญมาก ได้มีโอกาสในการศึกษาพุทธคุณของพระบรมศาสดาได้เห็นคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าในน้อมจิตใจใช่ในฐานในคำพีสังยุตตานิกาเนี่ยนะสขาทวัคฉบับพระบาลีเนี่ยเล่มที่ส5บห้าพระบรมศาสดาตรัสว่างไงสีเลปฏิฐายานโรสพัญโยจิตตังปัญ ญ, ญจาจะกภาวยังอาตาปีนิปโกภิขคโสอิมังวิชตเจชทันติ เห็นไหมพระพุทธโคษาก็ไปหยิบเอา พ, พุทธคด บ, บทนี้เลยมาตั้งฐานเป็นคำพีวิสุทธิมาร์กเลยก็มาขยายย่อคําสอนพระเจ้าออกเป็นวิสุทธิมาร์เป็นศีลนิเทศสมาธินิเทศแล้วก็ปัญญานิเทศนั่นแหละคือย่อใจความของพระไตรปิฎกเอาไว้พระไตรปิฎกก็ต่างด้วยศีลของพระเจ้าไงสองล้านสี่สกอดในสมาบัติก็สองล้านสีแสนนสสนส่แสนกอดใน วิปัสสนาญาณก็สองล้านสี่แสนโกดในอันเป็นฐานอันพิมั่นของอรัตธรรมะแล้วก็อันเปนฐานที่ตั้งของสัพพ ย, ยุตยานเป็นต้นเหล่านี้เห็นไหมพอสรุปการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เลยมาสรุปย่อก็เป็นวิสุทธิมัชยขยายก็เป็นพระไตรปิฎก8ปดหมี่พันพระธรรมขันธ์ฉะนั้น8ปดหมื่ี่พันพระธรรมขันธ์นั่นเป็นการพารณนาคุณของพระพุทธเจ้ามีนิดเดียวเองคุณของพระเจ้ามากกว่าพระไตรปิฎกแปดหมื่ี่พันพระธรรมขันธ์ เพรพุทธพจน์ทกบทนั <tranqu ility> ้นคือการกล่าวคุณงูวิทยาหมดเลยนี่เราก็ได้เรียนพระไตรปิฎกจบแล้วนะเห็นไหมเห็นคุณของพระศาสดาวนี่ไงคุณของพระศาสดาก็คือพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เราท่านทั้งหลายหยิบศีลพระวินัยมาอ่านหยิบสมาในส่วนของพระสุตตันตปิฎกมาอ่านหยิบในส่วนของพระพิธรรมปิฎกมาอ่านนั่นแหละคือคุณของพระบรมศาสดาหมดเลยถ้าอ่านไม่หมดก็อ่านย่อ วิเศษที่มากอย่าไปย่อมากกว่านั้นอันนั้นถือว่าย่อสุดแล้วนะแต่ขยายให้ได้ตรงเนี้พระโยคาวาจรเป็นคนมีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัตรดำลงมั่นแล้วในศีลเจริญจิตและปัญญามีความเพียรมีปัญญาบริหารตนพึงถังลบชัดเสียได้ก็หมายความว่านรชนก็ได้โยคาวาจรก็ได้ กุลบทกุลธิดาก็ได้บุคคลก็ได้ผู้มีปัญญาก็เรียกมีสัจชาติกปัญญามีปัญญามาแต่การเกิดถ้าเป็นติเหตุกะปฏิสนธิบุคคลเนะเกิดมาพร้อมด้วยความไม่โลภความไม่โกรธพร้อมด้วยปัญญาแสดงว่าได้ฐานได้ทีิพานมาจากการเกิดและก็มาเจริญศีลสีประการมีปาฏิโมกสังวรศีลเป็นต้นอินเรียสังวอนอาชีวาและปริสุทธิศีลและ ปัจจยสันนิสิตาสีเนี่ยเจริญศีลที่เป็นไปในภูมิสีอบรมจิตนั่นคือสมาบัติแล้วก็ปัญญานั่นคือวิปัสนาปัญญาท่านบอกว่าจะถางลกชัดได้อะจะถางลกชัดได้อาถามบอกว่านรชนหรือโยคาวจรเนี่ยนะเห็นภัยในที่เกิดมาพร้อมกับปัญญาถ้าเกิดมาพร้อมกับปัญญาเนี่ยจะเห็นภัยในสังสารวัฏ เห็นคุณของพระบรมศาสดาเห็นภัยในสังสารวัตรตอนนี้ถามว่าถ้าคนไม่เห็นคุณของพระบรมศาสดาจกเห็นภัยของสังสารวัตได้อย่างไรเพราะการเห็นคุณเป็นชื่อของปัญญาเห็นภัยก็เป็นชื่อของปัญญาแต่การที่จะเห็นคุณได้จะต้องมีศรัทธาใช่ไหมศรัทธาน้อมใจที่จะเชื่อแล้วก็มีปัญญาวิจัยไปตามคําสอนเพราะเห็นคุณของพระบรมศาสดาเพราะศาสดานั้นน่ะผ่านพระบรมศาสดามามากกว่า เขาบอกผ่านพระเจ้ามาเป็นอสงไขยองนั้นทํมาพิจารณาในบทอิติปิโสที่เราสาธมาสาธยายมอสักครู่เนี่ยก็จะเห็นว่าพระคุณของพระบรมศาสดานั้นมากทำไมท่านจึงกล่าวประพันธ์คาถานอบน้อมเยอะแยะเบ็ดเสร็จหมดเลยเนไม่ว่าแต่ละบทแต่ละบทที่กล่าวนอบน้อมคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นการกล่าวนอบน้อมเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นคุณของท่านน ต้องการให้เห็นว่าอิติปิโสพระกวาม่อกี้เราสวดใช่ไหมแต่การขยายเข้าถึงอัฏฐะและพยัญชนะนี่แหละเป็นกิจที่เราท่านทั้งหลายจะต้องแสวงหาจะต้องใช้ปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังน่ทะลุทะลวงถึงคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ได้ถ้าถึงไม่ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องน่าเสียดายแล้วว่าทำไมเราเกิดมาทาไมเราเห็นคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ ถ้าเราเห็นคนของพระบรมศา ส, สดาได้เนี่ยก็อย่างคำว่าติเนี่ยนะ